จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกทานวันนี้เป็นวันพระรหัสที่หนึ่งพุทธภาคงพุทธศากราสองวันห้ารห้าเจเป็นวันหยุดการทำงานหนึ่งวันเนื่องจากเป็นวัน แรงงานแห่งชาติแรงงานนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแรย ง, งานทางโลกกับแรงงานทางธรรมแรงงานทางโลกนี้เป็นแรงงานเพื่อก่อพบก่อชาติก่อการเวียนว่ายตายเกิดส่วนแรงงานทางธรรมนี้เป็นไปเพื่อ ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความแตกต่างของแรงงานที่พวกเราสามารถที่จะเลือกทําได้ส่วนใหญ่พวกเราจะเลือกทําการแรงงานทางโลกแรงงานเพื่อก่อพบก่อชาติเพราะเราไม่รู้ว่า หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะต้องไปก่อภพบก่อชาติไปรับพบรับชาติต่อเพราะการดำเนินชีวิตของพวกเราการใช้แรงงานของพวกเรานั้น <c oughs> เป็นไปเพื่อการก่อภพบก่อชาตินั่นเองเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการก่อภพบก่อชาติ ก็เพราะว่าเรากำลังสร้างเหตุของภพของชาติเหตุของภพของชาติก็คือตัณหาความอยากต่างๆเช่นความอยากในการเสพกลางเสพรูปสิ่งเกิดน้นผลตภตัณหาในการอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากได้ลาบยศสรรเสริญ และตัณหาที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ปรารถนาเช่นไม่ต้องการความยากจนไม่ต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องการความตายเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจที่แยกออกจากร่างกายหลังจากที่ตายไปแล้วจะ ไปหาพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปดังนั้นถ้าเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากการมคุณห้าก็คื อ, คอจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะถ้าเรายังอยากมีอยากเป็นยังอยากร่ำ อ, อยากรวยยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากจะมีคนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญ ถ้าเรายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จนอยากไม่ให้ผู้อื่นเคารานินทาว่ากล่าวติเตียนถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่เราก็จะดําเนินชีวิตใช้แรงงานของเราไปเพื่อการหาความสุขต่างๆเหล่านี้เราเจะ ใช้เวลาใช้แรงงานของเราในการหาลาบหาเงินหาทองหาทรัพ <oko> ย <al smile> ์สมบัติเข้าของต่างๆหายศฐาบรรดาศักด์ตำแหน่งต่างๆหาการยกย่องสรรเสริญเยืนยอแล้วก็หาความสุขจากการดูจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานสิ่งต่างๆ ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราไปในรูปแบบนี้เราก็จะก่อพบก่อชาติสร้างพบสร้างชาติต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของพระ อรหันตสาวกทั้งหลายเราก็จะได้พบกับแรงงานอีกรูปแบบหนึ่งแรงงานที่ใช้ไปเพื่อการตัดภพตัดชาติเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายว่าจะต้องไปแบกร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เมื่อไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ ต้องไปพัดพาดจากของรักของชอบใหม่ต้องไปพบกับของไม่รักของไม่ชอบใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นนักปราชญ์คนฉลาดจึงไม่ปรารถนาพบชาไม่ปรารถนาที่จะกลับมาเกิดอีกเพราะการกลับมาเกิดแล้วจะต้องพบกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆถึงแม้ว่าจะมีความสุข จากการหาลาภยศสรรเสริญหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอแต่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาก็คือเป็นความสุขต้นแต่ความทุกข์ปลายชีวิตของพวกเรานี้มักจะมีความสุขในระยะเริ่มแรกตอนที่เราจเจริญเติบโต เป็นหนุ่มเป็นสาวเราต้องการอะไรเราต้องไปไหนมาไหนอยากได้อะไรเราก็สามารถหามาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วร่างกายของเราก็แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมที่จะตอบสนองตันหาความอยากของเราได้ตลอดเวลาแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปนานเข้าไป ร่างกายของเราก็จะเริ่มเสื่อมทรมไปตามสภาพของของร่างกายที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีแก่แล้วก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยพอเริ่มแก่เริ่มมีความเจ็บไข้ได้ป่วยการจะทำอะไรตอบความต้องการตันหาความอยากก็จะไม่เป็นไปเหมือนกับสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชา ตอนนั้นความทุกข์ก็จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นความสุขก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนเวลาใกล้าตายก็ยิ่งจะมีความทุกข์มากขึ้นไปตามลาดับพอจะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้อีกต่อไปนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการก่อพพก่อชาติจากการทำตามความอยากทั้งสามคือความอยาก ในกามคุณห้าเรียกว่ากามตัญหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัญหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวตัญหานักปราดนท่นเห็นภัยของความอยากทั้งสามนี้ท่านจึงใช้แรงงานสวนกระแสของความอยากเวลาอยากได้ก็ไม่เอา สวนกระแสด้วยการให้แทนที่จะได้กับอยากจะให้เช่นอยากจะได้เงินได้ทองก็ฝืนกระแสของความอยากด้วยการทำทานแทนที่อยากจะได้เงินมากขึ้นก็อยากจะให้เงินมันมีน้อยลงไปการมีเงินน้อยลงไปก็จะตัดสะพานตัดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตอบสนองตันหาความอยากต่างๆนั่นเอง เวลาเรามีเงินมีทองพอเราเกิดตัณห า, อย า, าอยากได้นั่นอยากได้นี่เราก็จะมีเงินทองรับใช้เราทันทีอยากจะซื้อรถใหม่ก็ซื้อได้อยากจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ก็ซื้อได้อยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ซื้อได้แต่เราไม่รู้ว่าการทำตอบสนองตัณหาความอยากนี้มันเป็นการก่อภพก่อชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไป เราอาจจะได้รับความสุขเล็กๆน้อยๆจากการได้ทำตามความอยากของเราแต่เราไม่รู้ว่าเวลาที่เราไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากของเราได้นั้นเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานไม่เชื่อลองไปถามคนที่ติดบุหรี่ติดสุราเวลาที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่เวลาที่เขาไม่ได้ดื่มสุราจะรู้สึกอย่างไร เขาจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์แต่คนที่ไม่ติดบุหรี่ไม่ติดสุรานี้จะไม่เดือดรอ้อนเวลาไม่มีสุราดื่มเวลาไม่มีบุหรี่สูบเพราะเขาไม่มีความอยากที่จะดื่มสุราหรือสูบบุหรี่นั่นเองนี่แหละคือโทษของความอยากที่จะเกิดขึ้นทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ก็คือจะคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้ดังใจก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดเกิดอารมณ์ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเสีย อ, อกเสียใจบางครั้งก็กอดแค้นกอดเคืองนี่ละคือฤทธิ์ของตันหาความอยากที่ทำให้เราต้องดิ้นอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ไม่เป็นสุข แทนที่จะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็ต้องดิ้นทำตามความอยากแล้วเวลาตายไปความอยากนี้ก็จะผลักดันให้ใจดิ้นไปหาภพชาติใหม่อีกต่อไปพระพุทธเจ้าผู้ส่งปัญญาความรู้ความฉลาดจึงเห็นความจำเป็นในการที่จะต้องทำลายความอยากด้วยการสวนกระแสของความอยาก เวลาอยากจะได้อะไรก็ต้องไม่ทำตามความอยากยกเว้นเป็นของที่จำเป็นหรือความอยากที่มีคุณเป็นประโยชน์เท่านั้นความอยากที่จำเป็นก็คือการหายใจี้เราร่างกายต้องมีลมหายใจถึงจะอยู่ได้ถ้าอยากหายใจนี้ไม่ถือว่าเป็นตัญหาถ้าอยากรับประทานอาหารเวลาที่ร่างกายขาดอาหาร ก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นตันหาแต่ถ้าอยากรับประทานในายามที่ร่างกายมีอาหารพอเพียงแล้วอย่างนี้ถึง่ยเรียกว่าเป็นตันหาคือรับประทานมากเกินความจําเป็นเกินความต้องการของร่างกายเรียกว่าเป็นตันหาไม่ควรจะรับประทานเช่นรับประทานอาหารก็ควรจะรับประทานตามเวลาเป็นมืม้อไปนอกเวลาก็ไม่ควรรับประทาน <S <S การรับประทานก็เรียกว่าเป็นการตอบสนองตันหาความอยากเป็นการก่อภพก่อชาติสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ได้สร้างความสุขให้กับใจเราต้องฝืนความอยากเหล่านี้แม้กระทั่งการรับประทานอาหารบางทีสามมื้อนี่ก็มากเกินไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราหัดรับประทานสองมือ้อคือเช้ากับกลางวัน ในวันพระให้มาถือศีลแปดกัน <c oughs> เพื่อมาทวนกระแสตัณหาความอยากที่จะหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานแบบไม่มีขอบไม่มีเขตให้รับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้การถือศีลแปดนี่ก็เป็นการสร้างกำแพงหรือสร้างสิ่งที่จะมาต้าน ความอยากนั่นเองถ้าเราถือศีลแปนี้เราจะต้านความอยากได้หลายรูปแบบเช่นศีลข้อสามก็จะช่วยให้เราต้านไม่ให้เราอยากร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราถ้าเราถือศีลห้าศีลข้อสามนี้จะไม่ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนเพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราเพราะอันนี้มันเป็นนิสัยของเดรัจฉาน ไม่ใช่ินิสัยของมนุษย์มนุษย์นี้ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนจะไม่ไปร่วมหลับนอนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีความซื่อสัตย์เขาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาสุนัขตัวไหนอยู่ใกล้สัตว์ตัวไหนอยู่ใกล้ที่เขาสามารถที่จะหาความสุขจากการ ร่วมหลับนอนกับเขาได้เขาก็จะทำทันทีแต่มนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์รู้มีปัญญารู้เหตุรู้คุณรู้โทษรู้ผลรู้เหตุของการกระทาที่จะทำให้เกิดความสุขรู้เหตุที่ของการกระทำที่จะทำให้เกิดความทุกข์เช่นคนที่มีคู่ครองแล้ว ถ้าไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นถึงแม้ว่าตนจะได้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะจะต้องคอยหวาดระแวงกลัวว่าคู่ครองของตนจะรู้หรือไม่ว่าตนได้ไปแอบไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วแล้วถ้าคู่ครองของตนรู้ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา เกิดการทะเลา ะ, ว, ะวิวาทและอาจจะเกิดการแตกแยกต้องอย่าร่างจากกันไปความสุขที่ได้จากการมีคู่ครองก็จะถูกทำลายไปหมดนี่คือความแตกต่างของมนุษย์กับเดรัจฉานมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาสามารถแยกแยะผิดถูกดีเชื่อ ออกจากกันได้การจะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบจึงต้องรักษาสีลห้าได้ตลอดเวลาผู้ใดละเมิดสีลห้าเมื่อไหร่ก็ถือว่าเริ่มกลายเพศจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานทีละเล็กทีละน้อยทุกครั้งที่เราโกหกทุกครั้งที่เรารักทรัพทุกครั้งที่เราประพฤติปิดปรเวณี ทุกครั้งที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะเสื่อมจากไปจากการเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆการเสื่อมนี้ไม่ได้เสื่อมที่ร่างกายร่างกายยังคงสภาพเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมแต่จิตใจที่เสื่อมสิทธายนี้เป็นผู้ที่จะเป็นอะไรต่างๆพอร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าจิตใจเป็นเิราจฉาน จิตใจก็จะต้องไปได้ร่างของเดลฉานในภพต่อไปแต่ถ้าจิตใจสามารถรักษาศีลห้าได้จิจตใจตายไปก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ก็จะกลับเวลาเกิดใหม่ก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ส่วนถ้ารักษาศีลแปดได้ตัดความอยากต่างๆให้เบาบางลงได้ เช่นสิงห์อ็สามก็ตัดการร่วมหลับนอนไม่ว่าจะเป็นผู้คองของตนหรือไม่ก็ตามก็จะทำให้พพชาติที่ต่านี้หายไปคือผู้ที่สามารถละตันหาความอยากได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเทวดาแต่จะไปเกิดเป็นพรหม ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสูงกว่าชั้นมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบเป็นโรงแรมมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนโรงแรมหนึ่งดาวสองดาวสวรรค์เทวดาก็เป็นเหมือนสมดาวส่วนพรหมโลกนี้ก็เป็นเหมือนสวรรค์ห้าดาวนี่คือความวิเศษที่มีความสุขมากน้อยต่างกันสวรรค์ของมนุษย์ก็ มีความสุขระดับดาวเดียวสวรรค์ของเทวดาก็มีความสุขระดับสองดาวสาดาวส่วนสวรรค์ของพรหมโล ก, กระดับ4ดาวหาดาวขึ้นไปนี่คือความแตกต่างของภพชาที่พวกเราจะต้องไปเกิดกันต่อไปถ้าเราสามารถที่จะรักษาศีลได้ต้านความอยากในตาในกามได้ ไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะไม่ต้องการรับประทานด้วยความอยากรับประทานด้วยความจำเป็นเพื่อที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปได้เหมือนกับการรับประทานยาเวลาเรารับประทานยานี้เราไม่ได้มีความอยากจะรับประทานเลยแต่เราต้องรับประทาน พอเราต้องการรักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าไม่รับประทานยาร่างกายก็จะไม่หายเช่นเดียวกับการถ้าไม่รับประทานาอาหารร่างกายก็จะต้องผอมตายไปในที่สุดเราจึงรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายตายไปแต่เราไม่รับประทานอาหารเพื่อให้มีความสุขอาหารที่เรารับประทานไม่จำเป็นต้องถูกปากถูกคอ อาหารอะไรก็รับประทานได้ถ้ามันถูกสุขลักษณะรับประทานไปแล้วไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานเพื่อดูแลเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกตินี่คือการรับประทานอาหารแบบไม่มีความอยากการดื่มน้ำก็เหมือนกันร่างกายต้องการน้ำแต่ร่างกายไม่จาเป็นจะต้องมี สีมีกลิ่นมีรสในน้ำการดื่มเครื่องดื่มต่างๆที่มีกลิ่นมีสีมีรสนี่ก็เป็นการดืม่มตอบสนองตันหาความอยากเหมือนกันอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสของเครื่องดื่มถ้าอยากจะดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าไปน้ำเปล่านี้มีคุณประโยชน์กับร่างกาย ส่วนน้ำเครื่องดื่มต่างๆนั้นมักจะมีโทษกับร่างกายเพราะมีสารอะไรต่างๆปนเปื้อยอยู่เวลาดื่มก็ไปสะสมมากเข้าไปเรื่อยๆก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกี่ยวกับทางระบบทางเดินอาหารเช่นตับไตกระเพาะนี่จะเกิดโรคภัยตามมาเพราะว่าสิ่งที่ผสมไปในน้ํานั้น มีพิษมีภยัยต่อร่างกายนั่นเองถ้าดื่มเพื่อร่างกายแล้วก็ควรจะดื่มแต่น้ําเปล่าๆน้ําสะอาดบริสุทธิ์เป็นคุณเป็นประโยชน์จะทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและจะมีอายุยืนยาวนานนี่คือการดื่มการรับประทานเพื่อไม่โดยไม่ทำตามความอยาก ดื่มดมรับประทานตามความจำเป็นดื่มด้วยเหตุด้วยผลก็ต้องไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะตัดให้มากกว่านี้ก็รับประทานวันละมื้อก็พออย่างพระปฏิบัติพระวันนี้ท่านก็มีกฎระเบียบผู้ใดมาบวชที่วันนี้แล้วจะต้องฉันอาหารเพียงมื้อเดียวเท่านั้นเพื่อตัดตัญหาความอยาก การมาบวชนี้ก็เพื่อมาตัดภพตัดชาตินั่นเองไม่ได้มาเพื่อมาแสวงหาราบสักการะต่างๆอย่างที่เป็นไปในทุกวันนี้สมัยนี้บวชกันแล้วก็มาหาราบสักการะหางานบุญบังสังสวดกันหาสังฆทานห า, หางานสวดศพกันเพราะว่าเวลาทำงานเหล่านี้แล้ว จะมีผลตอบแทนจะมีปัจจุปัจจัยไตรทานต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นการบวชเพื่อตัดพกตัดชาติก็ไม่แตกก็ไม่ต่างจากการไม่บวชญาตโยมทำงานก็เพื่อหาเงินหาทองถ้ามาบวชเป็นพระแล้วมาหาเงินหาทองมาหาลาภหายดมันก็ไม่ต่างกันตรงไหน ต่างกันตรงที่ได้โกนหัวห่ผมผ้าเหลืองเท่านั้นเองแต่แรงงานการใช้แรงงานก็ยังเป็นไปเหมือนเดิมอย่างหาลาบหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกกลิ่นกายอยู่พอได้เงินมาก็ไปซื้อของดูของฟังของเล่นกันซื้อมือถือรุ่นใหม่ๆกันซื้อเครื่องเล่นไอโฟนไอแพดรุ่นใหม่มาเล่นมาดูมาฟังกัน อันนี้ก็ไม่แตกต่างจากการเป็นคาราวาสผู้ของเรือนเพราะนี่ไม่ใช่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนผู้ที่มาบวชให้สำรวมตาหูจมูกวินกายเพื่อกำจัดกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นล้นโผฏฐาภิไม่ให้ดูไม่ให้ฟังสิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดตันหาความอยากต่างๆขึ้นมา ไม่ให้อยู่ดูด้วยความอยากไม่ให้ฟังด้วยความอยากไม่ให้ลิ้มรส ด, ด้วยความอยากไม่ให้ดมกลิ่นด้วยความอยากไม่ให้สัมผัสผลพระชนิดต่างๆด้วยความอยากให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพราะมันเป็นการก่อภพก่อชาติการบวชนี้เป็นการมาตัดภพตัดชาติคำ ว, ว่าภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าทรงเรียกพระผู้มาบวชว่าภิกษุภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาผู้ที่มาบวชจึงมีเป้าหมายอยู่ที่การตัดกามะตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาเพราะว่าผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือผู้ที่ได้ตัดตันหาทั้งสามนี้นั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านบวชมาแล้วท่านไม่ได้มาหาบุญบางสังสว่วนท่านหาทางเดินจงกรมหาที่สงบสงัดวิเวกนั่งสมาธิอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพื่อที่จะตัดตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ท่านจึงได้กลายเป็นพุทธทังสารนังกัจฉามิเป็นสามังสารนังกัจามิที่พวกเราทุกคนกราบไหว้บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าพฤติกรรมของท่านการใช้แรงงานของท่านนั้นเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองที่พวกเรายังต้อง ติดกับอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เราจึงกราบไหว้บูชาพระพุทธท้าเจ้าพระอาหารหันตสาวกเพราะว่าเราอยากจะเป็นเหมือนท่านอยากจะได้หลุดพ้นเหมือนท่านเราจึงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน ก็เพื่อเป้าหมายอันนี้เท่านั้นไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาวัดเพื่อมาหาลาภสักการะหาความร่ำรวยหายหายศหาตาแหน่งอะไรต่างๆแบบคนบางคนทำกันคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนเวลามาวัดก็เพื่อที่จะมาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้ลูกก็มาขอจากพระพุทธเจ้าอยากจะได้ตาแหน่งก็มาขอจากพระพุทธเจ้า อยากราำอยากรวยก็มาขอจากพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่มอบให้มีแต่จะสอนให้เราตัดไม่ให้อยากได้สิ่งเหล่านี้เพราะการอยากได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราเพราะจะทำให้จิตใจของเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้ขาดการศึกษากันไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากันไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านต้องการให้เราปฏิบัติอะไรเราก็เลยทำไปแบบไม่ถูกต้องกันทําไปตามความเห็น ตามไปทำไปตามคำสอนของคนที่ไม่รู้กันเหมือนคนตาบอดพาคนตาบอดอย่างนั้นคนตาบอดกับคนพาคนตาบอดจะพาไปไหนได้ไปไหนไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนตาบอดพระอาหารหันต์ท่านไม่ใช่เป็นคนตาบอดท่านเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆท่านจึงสอนให้พวกเรามาตัดตัณหากัน ตัดตัณหาด้วยการทำทานตัดตัณหาด้วยการรักษาศีลตัดตัณหาด้วยการบวชการบวชก็คือการภาวนาคนที่จะภาวนาได้เต็มที่จะต้องเป็นนักบวชถ้าเป็นคารวะญาติโยมนี้ยังถือว่าเป็นมือสมัครเล่นยังไม่ใช่เป็นมืออาชีพมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนี้มันต่างกัน เวลาแข่งกันนี้มือสมัครเล่นนี่จะสู้มืออาชีพไม่ได้เพราะว่ามืออาชีพมีเวลาปฏิบัติมากกว่านั่นเองส่วนมือสมัครเล่นนี้ก็ทำได้เฉพาะวันหยุดเช่นเรามีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาปฏิบัติทำกันได้แต่เราปฏิบัติแค่อาทิตย์ละสองวันแต่ผู้ที่เป็นมืออาชีพนี้เขาปฏิบัติทุกวันเลยผลยังมีความแตกต่างกัน ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่นี้จะเป็นมืออาชีพก็คือเป็นนักบวชทั้งนั้นส่วนผู้ที่บรรลุที่ไม่ได้เป็นนักบวชนี้ก็มีบ้างแต่น้อยบ้างอันนี้เขาก็มีบารมีที่เคยสะสมไว้มาในอดีตมากพอทำให้เขาสามารถที่จะบรรลุได้ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เป็นนักบวช แต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ต้องเป็นนักบวชกันเท่านั้นถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างจริงจังพวกเราก็ต้องพุ่งเป้าไปสู่การบวชเหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พุ่งเป้าไปกันพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคารวาะเหมือนกับพวกเราท่านก็เป็นคนที่มีความอยากได้าดลาภยศสรรเสริญ เหมือนพวกเราแต่ท่านเห็นว่ามันต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกท่านจึงสละเพศของคารวะแล้วก็ออกบวชเพื่อที่จะได้ตัดตันหาความอยากได้อย่างเต็มที่นั่นเองผลจึงทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กันทำให้ท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป นี่คือแรงงานทางธรรมเป็นแรงงานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจของเรากับชีวิตของเราเพราะจะทำให้เราหมดทุกข์หมดภัยหมดสดุกไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่ถ้าเราใช้แรงงานแบบทางโลกเพื่อหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขในรูปแบบต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะ สร้างพบสร้างชาติต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราก็จะสร้างความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้พวกเราใช้วันแรงงานนี้มาพินิจพิจารณาดูว่าเราควรจะใช้แรงงานของเราไปในทางไหนต่อไปจะใช้ไปในทางโลกเพื่อหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือจะใช้แรงงานไปในทางธรรมเพื่อตัดภพตัดชาติตัดตัณหาความอยากต่างๆด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันเพราะว่าไม่มีใครจะตัดสินใจให้กับท่านได้นอกจากตัวท่านเองแล้วก็ไม่มีใครที่จะรับผลของการตัดสินใจของท่านได้ นอกจากตัวของท่านเองเท่านั้นการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วค่้ า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้ากัรเทอร์